การฟังเทศฟังธรรมมีคุณมีประโยชน์มากมายมหาศาลบางท่านฟังเพียงครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยบางท่านก็ฟังหลายหลายครั้งถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้แต่ ทุกคนที่ต้องการบรรลุ ธ, ธรรมจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้มาก่อนในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้เห็นธรรมได้ ด้วยพระองค์เองแต่ผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีความสามารถพอที่จะเห็นธรรมอันประเสริฐที่จะนำพาจิตใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้า มาตัดสรุเป็นพระองค์แรกก่อนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุแล้วพระองค์ก็นำเอาความรู้นี้มาสั่งสอนผู้อื่นต่อไปจึงปรากฏมีผู้บรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมกันขึ้นมากันเป็นจำนวนมากก็เกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังธรรม ได้ศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสาคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าส่งให้ความสาคัญต่อการแสดงธรรมเป็นอย่างมาก ในพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในแต่ละวันนี้เรียกว่าพุตธกิจหคือมีกิจภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบอยู่หาภารกิจด้วยกันสี่ของห้าภารกิจนี้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจนเช่นตอนบ่าย ทรงแสดงธรรมให้กับค า, าวาตญาติโยมตอนค่ำทรงแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณียามดึกทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินทบาทจะทรงเล็งยานดูว่า จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วพอหลังจากนั้นก็ทรงสเสด็จออกบินทบาดโปรดสัตว์นี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอทุกวันยกเว้นเวลาที่ไม่สบายเท่านั้นที่ไม่สามารถที่ จะทำกิจเหล่านี้ได้นี่แหละคือความสำคัญของการฟังเทศฟังธรรมเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้รับประโยชน์หลายประการด้วยกันประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือสำหรับผู้ที่ไม่เคยฟังธรรมมาก่อนก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สำหรับผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังทำแล้วพอได้ฟังธทมซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับนี่ประโยชน์ข้อที่สองข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังทำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองทมบนไดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอฟังซ้าอีก ก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับข้อที่สามจะกำจัดความนังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ข้อที่สี่จะทำให้เกิดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและข้อที่ห้า จะทำให้จิตใจสงบผ่องใสเบิกบานมีความสุขจากการฟังธรรมการที่จะได้รับอนิสงได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบจะไม่ได้รับอนิสง เต็มที่หรือไม่ได้รับเลยขึ้นอยู่กับความไม่สงบของกายวาจาใจว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไรความสงบของกายก็คือร่างกายควรจะอยู่เฉยๆไม่ควรทำอะไรบางคนคิดว่าทำกับข้าวไปฟังทำไปจะได้ประโยชน์ ได้ก็ได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าใจจะต้องแบ่งไปสองที่แบ่งไปกับการทำกับข้าวแล้วก็แบ่งมากับการฟังธรรมก็จะหันไปหันมาเดี๋ยวก็มาทํากับข้าวเดี๋ยวก็มาฟังธรรมธรรก็เลยที่ฟังก็จะฟังไม่ต่อเนื่องขาดตอน ตอนที่ทำกับข้าวก็ไม่รู้ว่ากำลังฟังอะไรพอกลับมาฟังอีกทีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปแล้วฟังแบบนี้โอกาสที่จะเกิดผลเกิดความเห็นต่า ง, างความผลต่างๆนั้นก็จะไม่เกิดเพราะขาดความต่อเนื่องและขาดการพิจารณาตามการฟังธรรมที่จะให้เกิดปัญญา ที่จะเกิดความเข้าใจความเห็นที่ถูกต้องต้องมีการพิจรารณาตามด้วยถึงจะนึกภาพเห็นตามที่ผู้แสดงได้แสดงเอาไว้เมื่อเห็นภาพแล้วก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาดังนั้นผู้ฟังธรรมจริงๆควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบควรจะนั่งเฉย หรือถ้านอนถ้าเป็นคนไม่สบายต้องนอนก็นอนเฉยๆหรือถ้านั่งไม่ได้นอนไม่ได้ก็ให้ยืนเฉยๆคือกายอย่าเคลื่อนไหวเพราะการเคลื่อนไหวของร่างกายต้องเกิดจากการทำงานของใจใจต้องเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆใจก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรม จะอยู่กับการควบคุมบังคับร่างกายให้ทําอะไรต่างๆเช่นบางคนบอกเล่นโยคะไปฟังทำไปใจก็ต้องแบ่งไปเป็นสองที่สองทางใจก็ไปสั่งให้ร่างกายยกแข้งยกขาแล้วก็กลับมาฟังทำแล้วก็กลับไปเปลี่ยนท่าไปมันก็จะวิ่งไปวิ่งมา ไม่อยู่กับเรื่องเดียวจาเป็นที่จะต้องให้อยู่กับเรื่องเดียวเท่านั้นถึงจะได้ประโยชน์เต็มร้อยเหมือนเวลารองน้ำใส่แก้วหรือใส่กระป๋งถ้ามือใส่ไปส่ามาไมา่ไม่ได้อยู่ไม่นิ่งอยู่ที่ใต้กอ๊อกเนี่ยเดี๋ยวน้ำก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างถ้ามือเต้นแอโรบิกไปแล้วก็ลองน้ำไป เดี๋ยวน้ำก็เข้าถังบ้างไม่เข้าถังบ้างอ่ น, นี่ธรรมะก็เป็นเหมือนน้ำก๊อกนี่แหละน้ำก๊อกที่ออกจากใจของผู้รู้ธรรมเนผู้มาฟังธรรมก็เป็นเหมือนผู้ถือแก้วถือกระแปงมาลองรับน้ำเพราะฉนการจะลองรับน้ำให้ได้เต็มที่ไม่ให้เสียน้าก็ต้องมือบมือที่จับแก้วหรือจับกระแปงนี้ต้องนิ่งไม่สายไปสายมา ให้อยู่ที่เดียวดังนั้นถ้าทําอะไรเคลื่อนไหวอะไรอยูอ่ก็จะไม่ได้รับธรรมอย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการนิ่งของกายแล้วก็ต้องนิ่งทางวาจาด้วยเพราะการพูดมันก็ต้องใช้ใจเหมือนกันใจก็ต้องคิดถึงเรื่องที่จะพูดแล้วก็พูดออกไปพูดไปแล้วก็ ก็ฟังคนที่เขาจะพูดตอบกับ <Yeah. S 1> ก็บไปคุยกันพูดกันคุยกันถึงแม้จะมีเสียงธรรมเข้ามาในหูแต่มันไม่เข้าไปในใจเพราะใจไม่ได้หันมารับเสียงธรรมใจมัวแต่สนใจอยู่กับเรื่องคุยกันจึงไม่มีการคุยกันเวลาฟังธรรมกันไม่มีการกระทําอะไรต่างๆ ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็หุบ ป, ปากไม่พูดไม่คุยกันแล้วยังไม่พอสงบกายสงบวาจาแล้วยังต้องมาสงบใจอีกด้วยเพราอใจอยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ต้องควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีนั่งฟังธรรมแต่คิดถึงว่าเดี๋ยวจะไปทําอะไรต่อดีเลือกคิดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา มีเรื่องมีราวกับคนนั้นมีปัญหากับคนนี้หรือ ว, วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องบังคับใจให้จดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่กําลังฟังอยู่เท่านั้นเห็นจะได้รับประโยชน์นี่คือเรียกว่าการฟังธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิ คือการสงบของกายสงบของวาจานี้คือศีลแล้วเพราะตอนที่กายวาจาสงบนี้ไม่ได้ทำบาปอย่างแน่นอนตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ตบยุงไม่ได้ตีมดไม่ได้ไปลักทรัพย์ของใครไม่ได้ประพฤติผิดปรเวณีกับใครไม่ได้พูดปดโกหกหลอกลวงใคร ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแสดงว่ามีศีลเต็มเต็มร้อยแล้วถ้าไปดื่มสุรายาเมาแล้วมานั่งฟังธรรมก็จะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเวลามีอาการมึนเมาแล้วจะไม่มีสติสตังที่จะวนงคับใจให้ฟังเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูได้ ผู้ที่จะฟังทรรมให้เกิดคุณเกิดประโยชน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีศีลคือกายวาจาที่สงบแล้วก็ไม่ต้องไปสมาทานนะการสมาทานนี้เป็นเรื่องของพิธีกรรมนะเรื่องของศีลจริงๆนี้มันอยู่ที่กายวาจาสงบหรือไม่เท่านั้นเองนะพอกายวาจาสงบอย่างที่ท่านกำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ ท่านมีศีลกันแล้วเพียงแต่จะมีศีลไปได้กี่มือเท่านั้นเองเดี๋ยวพอเลิกจากการฟังธรรมปับ๊บเดี๋ยวเริ่มพูดคุยกันก็เดี๋ยวก็โกหกกันละเดี๋ยวก็ไปหยิบของคนนั้นคนนี้มาใช้มากินมาดื่มละแต่ตอนนี้มีศีลแล้วมีศีลนองนับในการฟังธรรมแล้วถ้านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรไม่พูดอะไร แต่ยังอาจจะไม่มีสมาธิคือจิตไม่นิ่งจิตยังคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตามม่นั่งคิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่ฟังธรรมก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกถึงแม้ว่าจะมีศีลถึงแม้ว่าจะนั่งเฉยๆไม่พูดไม่ทําอะไรแต่ใจก็ยังทำงานอยู่ได้ ถ้าใจไปคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้เนี่ยตั้งแต่ฟังเริ่มฟังมานี้จะไม่รู้เรื่องว่าพูดเรื่องอะไรเพราะใจยังอยู่กับความคิดต่างๆอยู่ฉั้นพอต้องการที่จะฟังให้เกิดประโยชน์นี่ต้องบังคับบังคับให้ฟังธรรมให้อยู่กับเสียงธรรมอย่าให้ไปอยู่กับความคิดใหม่ๆมันอาจจะดึงไปดึงมากัน แต่ถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ว่าจะตั้งใจฟังดึงใจหันใจให้มารับฟังอย่างเดียวจะไปคิดอะไรก็ดึงกลับมาเดี๋ยวใจก็จะนิ่งแล้วจะมีสมาธิในการฟังธรรมถ้ามีศรรมีลมีสมาธิแล้วทรรมที่ฟังนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมา จะเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องจะสามารถกำจัดความรังเลยสงสัยในเรื่องธรรมต่างๆได้ในธรรมชนิดต่างๆได้ว่าเป็นอย่างไรมีจริงหรือไม่อย่างไรคนที่เขาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมกันได้ก็เพราะเขามีศีลมีสมาธิเต็มร้อย แล้วก็มีความสามารถที่จะพิจารณาตามผู้แสดงได้ทมที่แสดงได้ว่ามีความหมายอย่างไรจึงมีการปรากฏบรรลุธรรมกันในสมัยพระพุทธกาลเพราะนอกจากผู้ฟังที่ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้ว ผู้แสดงก็ต้องมีธรรมแท้มาแสดงด้วยถ้าผู้แสดงเอาธรรมไม่แท้มาแสดงผู้ฟังก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ธรรมไม่แท้คืออะไรธรรมไม่แท้ก็คือธรรมที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วเอามาจดเอามาจําไว้ในใจอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้ เพราะว่าไม่รู้ว่าเอาไปดับความทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ผู้ที่เอาความรู้เหล่านี้มาสอนผู้อื่นก็จะไม่รู้ว่าสอนถูกต้องหรือไม่เพราะตนเองยังไม่ได้เอาไปพิสูจน์ด้วยตนเองนั่นเองว่าเป็นธรรมที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆ ให้หมดไปจากใจได้หรือไม่เยเานั้นการฟังธรรมจากผู้แสดงที่มีธรรมแท้กับมีธรรมไม่แท้นี้จ ะ, จะมีผลแตกต่างกันผู้ฟังธรรมเองก็จะรู้เวลาฟังธรรมจากผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้จริงนี่ผลมันจะทาแทนที่จะกําจัดความสงสัยให้หายไป กับเพิ่มความสงสัยให้มีมากขึ้นก็ได้เพราะผู้พพแสดงที่ไม่รู้นั้นจะพูดวกไปเวียนมาไม่เข้าประเด็นฟังแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกจับเหตุจับผลไม่ได้แต่ผู้ที่รู้ธรรมนี่จะพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดจากประสบประการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง ว่าเคยทำอย่างนี้แล้วเวลาเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอทำอย่างนี้ปั๊บกิเลสหยุดทันทีความทุกข์หายไปทันทีอันนี้การฟังธรรมจะบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้แสดงด้วยไม่ได้อยู่ที่ผู้ฟังเพียงฝ่ายเดียวถ้าผู้ฟังตั้งใจฟัง ด้วยกายวาจาใจที่สงบแต่ธรรมที่แสดงเป็นธรรมที่ไม่เป็นธรรมแท้ก็ไม่สามารถที่จะนาเอาไปดับความทุกข์ต่างๆได้เนะการฟังธรรมที่จะให้บรรลุธรรมนี้ต้องเป็นเหมือนในยุคสมัยพระพุทธการพระผู้แสดงก็เป็นผู้ที่รู้ธรรมจริง คือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วผู้ฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจจริงจังฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังหนเดียวบางบางคนก็บรรลุทำได้เลยเช่นมีชายคนหนึ่งคิดว่าชื่อพาหิยะได้พบกับพระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงบิณฑบาต มีความปรารถนาอยากจะฟังธรรมอย่างแรงกล้าจากพระพุทธเจ้าตอนต้นพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่เหมาะไม่เป็นเวลาที่ควรแต่การแสดงธรรมเพราะกำลังทำภารกิจบินฑบาทอยู่แต่ชายคนนี้ก็ยืนยันขอร้องว่าได้โปรดเถิดแม้แต่เพียงสั้นๆคำสองคำก็ยังดี พอโทอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงทมแบบรวบรัดคำสองคำตามที่เขาขอพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงเห็นอะไรให้ศักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรให้ศักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรให้ศักแต่ว่ารู้พอฟังเท่นี้เขาก็เข้าใจเขาก็บรรลุธรรมขึ้นมาขอลาไปเตรียมบริขาร เพื่อที่จะมาบวชจากกับพระพุทธเจ้าต่อไปแต่เนื่องอาจจะเป็นเรื่องของกรรมของชายคนนี้ระหว่างทางที่จะไปเตรียมหาของเตรียมตัวบวชก็ไปถูกกระเทงขวิดตายพอข่าวได้มาถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกให้ทำชาปนกิจแล้วก็ให้เก็บอัฐิ บรรจุไว้ในสถูปให้สร้างสถูปสร้างเจดีย์ขึ้นมาแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าชายคนนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะการจะเอากระดูกอัฐิของผู้ตายไปบรรจุไว้ในสถูปในสมัยนั้นยันนิยมทำกับผู้ที่เป็นบุคคลที่ประเสริฐเท่านั้นคือมหาจากักรพัท พระพุทธเจ้าหรือพระปเจกับพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เท่านั้นที่เขาจะเอากระดูกไปบรรจุไว้ในสถูปในเจดีย์นี่คือตัวอย่างของผู้ที่มีศีลสมาธิตั้งใจฟังจริงๆไม่คิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็มีความฉลาดที่จะเข้าใจความหมายของ คำที่พระพุทธเจ้าส่งพูดออกมาว่าสอนให้ทำใจอย่างไรนั่นเองคือสอนให้ทำใจปล่อยวางเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นคือปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เห็นได้ยินอะไรอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่เห็นเหมือนสมัยนี้พวกเราเห็นอะไรทีฟังอะไรทีวุ่นวายไปเต็มสื่อไปหมดเลยแชร์กันเป็นล้านไปเลย วุ่นวายกันไปหมดไม่ใช่สักแต่ว่าเห็นไม่ได้สักแต่ได้ฟังเห็นแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาสาทุ ก, กันไปสาทุ ก, กันมาเนี่ยเราเขาเลยพวกบ้าอไม่มีสติไม่มีปัญญาใจเหมือนจิ้งหรีดเนี่ยพอใครเอาอะไรมาปั่นหัวหน่อยร้องกิ๊ดกิ๊กกิ๊กกิ๊ก คอยเห็นอะไรได้ยินอะไรนี่ใจไปแล้วโกรธก็โกรธเต็มร้อยเศร้าโศกเสียใจก็เศร้าโศกเต็มร้อยเป็นบ้าไปกับเหตุการณ์ที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นอันนี้ไม่ใช่วิธีปฏิบัติจิตวิธีปฏิบัติจิตไม่ให้ทุกข์ก็ต้องสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้าเห็นแล้วไปปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีบ้างไม่ดีบ้าง วิภาค ว, ว, วิจาร์ฝ่ายนู้นวิภาควิจารฝ่ายนี้นี่กลายเป็นเรื่องวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือความเข้าใจของผู้ฟังธรรมบางทีฟังแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยถ้าไม่เข้าใจก็คิดว่าเป็นปริศนาเอ๊ะหมายความว่ายอย่างไรหมายความว่ายอย่างไรกลายเป็นปริศนาไป แต่ถ้าคนที่เข้าใจคนที่เข้าถึงตัวจิตแล้วจะเข้าใจผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงตัวจิตนี่ยังไม่รู้เรื่องของจิตนี่รู้แต่เรื่องที่อยู่ทางทางตาหูจมูกเล่นกายก็จะไปยุ่งกับตารูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายจะไม่เข้ามาที่จิตจะไม่เข้ามาแก้ปัญหาที่จิตน จะไปแก้ปัญหาที่รูปเสียงกลิ่นรสที่ตนเองได้ไปสัมผัสรับรู้ได้ยินเสียงไม่ดีก็ต้องไปแก้กับคนที่พูดไม่ดีเธอทำไมพูดอย่างนี้ไปแก้ที่นั่นเสียแต่คนที่เข้าถึงตัวจิตแล้วจะแก้ที่ตัวจิตว่าเฉยๆไว้ใครเขาจะดา่าเขาจะชมก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเ เราเฉยๆไว้แล้วเราก็ไม่ขับไม่ขาดทุนไม่กําไรสบายอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่เสียดีกว่าไปได้ไปเสียเพราะได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราเป็นของเรา ไ, ได้ตลอดเวลาได้มาก็ดีใจเดี๋ยวก็ต้องเสียถ้าเสียก็เสียใจ แต่ถ้าทำใจเฉยๆไม่ได้ไม่เสียกับอะไรใจก็ไม่เดือดร้อนใจก็จะสบายคนต้องเข้าถึงตัวใจให้ได้ต้องเข้าถึงตัวถึงฐานของใจคือความสงบนั่นแะถึงจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอยู่ในใจของเราสิ่งที่ผิดที่ถูกนี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่อยู่ที่คนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนั้น อยู่ที่ใจของเราว่าสุขหรือทุกข์กับสิ่งที่เราเห็นถ้าใจเราทุกข์แสดงว่าผิดแล้วไม่ว่าเขาจะพูดดีหรือไม่ดีอย่างไรเขาจะทาอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ตามแต่ถ้าใจเราไปทุกข์เนี่ยเราผิดแล้วเราต้องแก้ที่ใจเราเราต้องปล่อยวางเขาที่เราทุกข์เพราะอะไรมันรู้ทันที ทุกเพราะว่าเราอยากนะอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอเขาไม่พูดตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ขึ้นมาส่วนใหญ่พวกเราอยากให้เขาชมเราใช่ไหมมีใครอยากให้เขาด่าเราไหมมีใครอยากให้เขาตาหนิเรามทั้งทั้งที่บางทีการตาหนินี้มีคุณประโยชน์ก็บคำชมแต่เราก็ไม่เอาเราจะเอาคำชมมากกว่าคาตาหนิ คำตำหนินี้ถ้าเป็นคำตำหนิที่ตรงกับความจริงนี้มีประโยชน์กับเราเพราะเขาชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรานะเขาบอกความผิดของเราเราจะได้แก้ไขได้เขาเป็นเหมือนกระจกนะเวลาเราแต่งหน้าทาปากนี่เราใช้กระจกกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวปากก็ไม่รู้สีสีอยู่ที่ริมฝีปากหรืออยู่ที่ปลายจมูกก็ไม่รู้ น่ต้องมีกระจกเนี่ยมีผู้ที่เขาจะบอกความจริงให้กับเราว่าเอ้ยตอนนี้ทาผิดแล้วนะสีมันไปติดอยู่ที่ปลายจมูกแนละ้วต้องลบออกยังมียังมีขี้ตาติดอยู่ที่ตาอยู่ผมยังไม่เรียบร้อยอเพราะนี่คือนี่คือกระจกที่จะส่งให้เราเห็นความเป็นจริงของเรา ถ้าถ้าคนที่เขาเห็นเราทำไม่ถูกเขาบอกเราเราควรจะดีใจนะเพราะเราจะได้ทำให้มันถูกนะแต่เรากลับไปโกรธเขาไปเกลียดเขาเพราะนิสัยเราความอยากของเรานี้อยากให้เขาชมเราไม่อยากให้เขาตาหนิเราเราจึงมักค่อยไม่ไม่ค่อยได้ดีกันเพราะมัวแต่คอยชมกันคอยหลอกกันโอ้ยสวยอย่างนั้นดีอย่างนี้ แต่ความจริงแล้วก <c oughs> ็เรียกเป็นขี้หมานี่คือเรื่องของจิตใจเนีย่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมนี้เป้าหมายของเรานี้เราต้องเข้าไปที่ใจของเราให้ได้แต่ตอนนี้พวกเรามันไปติดอยู่ที่ข้างนอกกันใจของพวกเราถูกกิเลสหลอกให้ออกไปวุ่นวายกับเรื่องข้างนอก หลอกให้เราไปหาสิ่งข้างนอกคิดว่าข้างนอกมีความสุขคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญก็เลยส่งให้จิตของเราออกไปหาสิ่งต่างๆแล้วพอเราหาไม่ได้เราก็วุ่นวายใจเสียใจแทนที่เราจะมาแก้ความวุ่นวายใจที่ใจเราก็ไปแก้ที่ข้างนอกหาไม่ได้ก็ต้องหาต่อ หาโดยวิธีถูกไม่ได้ก็ต oh ้องหาโดยวิธีผิดกันฮอก็ไปทำบาปทำกรรมกันอีกไปทำผิดกฎหมายกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางกันอีกแล้วดีไม่ดีถ้าไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับชาวบ้านก็อาจจะถูกยิงตายก็ได้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือใจของเรา เราไปแก้ต้นเหตุแก้ปัญหาที่ปลายเหตุที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดไม่มีวันจบแก้เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องใหม่ให้มาแก้แก้เรื่องใหม่เสร็จเดี๋ยวให้เรื่องเก่าที่เคยแก้ เ, เป็นมีปัญหากลับขึ้นมาอีกแล้วต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เราทําอะไรกันวันวันหนึ่งก็หาของแปลกของแปลกๆใหม่ๆมาใช้มามาให้ความสุข พอได้มันมาแล้วก็ต้องมาคอยซ่อมมันคอยแก้มันเดี๋ยวตู้เย็นเสียเดี๋ยวพัดลมเสียเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวบ้านหลังคารั่ว ม, มีปัญหาให้แก้กันอยู่เรื่อยๆแก้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบถ้ามาแก้ที่ใจทุกอย่างจบเสียก็ปล่อยมันเสียไปก็ไม่ต้องใช้มัน พระพุทธเจ้าใช้อะไรบ้างเห็นไหมดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านมีรถยนต์มีตู้เย็นมีคอนโดอมีมือถือมีอะไรอย่างที่พวกเรามีกันหรือเปล่าแล้วทําไมท่านถึงมีบรลมัสุขปรมังสุขขังะเว่าบรลมัสุขปรมังสุขขังมันอยู่ที่กับที่ไม่มีอะไรเข้าใจไหมอยู่ที่ความว่างความว่างเปล่าอ้างว่างเปล่าเปี่ยว แต่พวกเราพอมันว่างแล้วมั น, นเดียวดายด้วยเลยถึงไม่ชอบว่ความว่างกันแต่ผู้ที่สามารถเข้าถึงตัวจิตได้ดึงจิตกลับเข้ามาข้างในได้แลมันจะไม่อ้างวางเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมันจะว่างแบบเบาเย็นสบา ย, เ, ยเวลาใจสงบใจจะว่างจะเย็นจะเบาจะสบาย จะไม่หิวไม่อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสไม่หิวไม่อยากกับลาบยศสรรเสริญไม่หิวไม่อยากกับใครทั้งนั้นใครจะดีใครจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราขอให้ใจของเราดีอย่างเดียวเท่านั้นพอ ไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นใครจะว่าเห็นกับตัวก็เรื่องปากของเขาเรื่องของความโง่ของเขามีใครไม่เห็นกับตัวบ้างเห็นกับไอคนที่ว่าเขาว่าเห็นกับตัวแล้วตัวยังไม่เห็นกับตัวเหรอมันก็เห็นกับตัวกันทั้งนั้นน่ะมันถึงมาเกิดกันเนี่ยที่มาเกิดกันก็เพราะความเห็นกับตัวเพราะอยากจะมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะกันก็เลยต้องมา ต้องมามีร่างกายมีตาหูจมูกนิ้นกายพอมีร่างกายแล้วทําอะไรก็าหารูปเสียงกดลดิ่นรสหาราบยศเสริเสริญสุขกันแล้วก็ไปด่าคนอื่นว่าเขาเห็นแก่ตัวไปด่าพระพุทธเจ้าว่าเห็นแก่ตัวทิ้งสะละราชสมบัติสละลูกสละเมียไปบวชเนี่ยกับไปหาว่าเห็นแก่ตัวก็ เ, เห็นเหมือนกันทุกคนก็เห็นแก่ตัวนะเบียงแต่วิธีเห็นแก่ตัวแบบไหนที่มันดีกว่ากันเท่านั้นเองที่ทุกคนจะ คำหนึงถึงเห็นแก่ตัวแบบพระพุทธเจ้าแล้วมันเป็นยังไงเป็นประโยชน์กับตนเองและประโยชน์กับสัตว์โลกมากน้อยเพียงไรเห็นแก่ตัวแบบของเรานี่มีประโยชน์กับใครมีแต่เรื่องวุ่นวายสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านเขาเต็มไปหมดเนี่ยสงฆามันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะความเห็นแก่ตัวแบบของพวกเรานี่อยากจะได้ลาบยศเสรเสริญสุขกันมากๆก็เลยแย่งกันพอแย่งกันแล้วก็ต้องต่อสู้กันฮ เขาก็ไม่อยากให้เราแย่งของของเขาไปเราก็ไม่อยากให้เขามาแย่งของของเราไปในที่สุดก็เกิดสงครามขึ้นมาสงครามโลกต่อไปโลกนี้จะฆ่ากันตายหมดเชื่อไหมยยิ่งตอนนี้มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วเนี่ยถึงเวลามันถึงเวลามันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเพราะการหาความสุขของพวกเรานี้เราหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ที่จะต้องบายแย่งกันเพราะรูปเสียงกินลดในโลกนี้มีมันมีจำนวนจำกัดมันโลกมันไม่ขยายตามความอยากของเราถ้ามันขยายตามความอยากก็ดีหาเท่าไหร่ก็หาห า, หาได้แต่แม้ที่ดินตอนนี้มันน้อยลงไปทุกวันทุกวันที่ดินมันก็มีเท่าเดิมนะแต่คนมาเกิดมันมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆจำนวนของที่ดินที่จะมาแบ่งกันมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็ต้องแย่งกันฆ่าฟันกันนี่คือความเห็นแก่ตัวที่ที่พวกเราคิดว่าไม่เห็นแก่ตัวแต่ความเห็นแก่ตัวที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับโลกกลับไปว่าเป็นการเห็นแก่ตัวพวกที่ไปว่าพระพุทธเจ้าไปว่าว่าพวกนักบวชทั้งหลายว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัวนี่เป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญาพวกที่คิดไม่เป็นมองไม่เห็นความจริง พวกที่ไปบวชพวกที่ไปเป็นพระอารหันต์เป็นพระพุทธเจ้านี้ท่านกลับมาทำประโยชน์ให้กับโลกมากน้อยเพียงไรทำให้เกิดความล่มเย็นเป็นสุขมากน้อยเพียงไรธรรมะที่พระพุทธเจ้าส่งสอนทำให้บ้านเมืองของเรานี่อยู่อย่างสงบล่มเย็นมานี่เป็นอย่างไรดูประเทศที่ไม่มีธรรมะเป็นอย่างไร มีสงครามกลางเมืองมีการแข่งแย่งชิงดีฆ่าฟันกันถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเจริญทางด้านวัตถุ ก, ก็ตามแต่ทางด้านจิตใจเขาไม่เจริญจิตใจเขาตกต่ำเสื่อมเป็นจิตใจที่หดร้ายทารุณเห็นไหมสงครามโลกฆ่าคนได้เป็นกี่ล้านคนนี่ก็เพราะความเห็นกับตัว แบบทางโลกความเห็นแก่ตัวแบบแบบทางธรรมนี้ทำให้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมีความสบายใจเนคนเขาถึงชอบมาเมืองไทยถามว่าชอบเมืองไทยชอบตรงไหนเขาว่าชอบคนไทยชอบคนไทยเป็นคนใจใจเมตตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีประเทศไหนที่เหมือนประเทศไทยหรอก ว่าไม่มีประเทศไหนที่มีพระพุทธศาสนาเหมือนที่ประเทศไทยเรามีกันนี่คือเรื่องของความเห็นผิดเพราะไม่ได้เข้าไปถึงตัวที่เป็นปัญหาเลยไปแก้ปัญหาแบบผิดๆแล้วก็ไปกล่าวร้ายผู้อื่นว่าทำผิดเพราะว่าตัวเองไม่ได้รู้จัก ความจริงว่าปัญหาของตนเองนั้นอยู่ที่ไหนปัญหาของพวกเราทุกคนนี้อยู่ที่ใจที่ไม่อิ่มไม่พอจึงต้องออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาราบยศสรรเสริญกันแล้วก็สิ่งที่เราหามันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอกับเราได้ต่อให้เราได้ราบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรส มามากน้อยเพียงไรก็ตามมันก็ไม่มีวันที่จะทำให้ใจเราอิ่มเราพอใช่มพอได้นี่แล้วก็อยากจะได้นั่นพอได้นั่นเราก็อยากจะได้นู่นเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเราอยากได้นู่นอยากได้นี่มามากน้อยเพียงไรแล้วสิ่งที่เราได้มานั้นได้มามากน้อยเพียงไรพอหรือยังไม่พอหรอกได้ร้อยก็อยากจะได้พันไง ได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนเงินมันถึงเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีเงินตอนตอน้นเศรษฐีเงินล้านต่อมาก็เศรษฐีเงินร้อยล้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเศรษฐีพันล้านนี่กำลังมีเศรษฐีหมื่นล้านเลยเดี๋ยวก็มีเศรษฐีแสนล้านตามมาแล้วมันกินหมดไหยเอาไปทาอะไรได้ ตายไปก็เอาไปบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้แต่ใจมันหิวใจเวลามันเห็นโอกาสที่จะได้มันมันห้ามใจไม่อยู่ยิ่งมีมากมันยิ่งต่อยอดได้มากมมีล้านก็หาเงินเป็นล้านได้มีสิบล้านก็หาเงินเป็นร้อยล้านได้มีร้อยล้านก็หาเงินเป็นพันล้านได้มันก็จะหาเพิ่มไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่ามันหามาทำไมหามาแล้วมันได้ประโยชน์อะไร มันมาแก้ปัญหาที่ความหิวของใจได้หรือไม่ไม่ได้ได้มาเท่าไหร่ก็ยังหิวยังอยากเหมือนเดิมอยู่เหมือนกับเหมือนกับขอทานดีๆนี่ขอทานมันไม่มีมันก็อยากได้สิบบาทมันก็ดีใจเศรษฐีสิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านถึงจะดีใจแล้วมันพอร้อยล้านมันก็อยากจะได้พันล้านมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกถ้าเราไปแก้ปัญหาของใจ ด้วยการไปแก้ที่ของภายนอกด้วยการไปหาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเศพเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอวิธีที่จะทําให้จิตใจของเราอิ่มเราพอนี้ต้องมาแก้ที่ใจของพวกเราต้องเข้าไปที่ตัวใจของเราให้ได้ตอนนี้ใจถูกกิเลสมันดันให้ออกมาที่รูปเสียงกลิ่นรส มันเลยไม่เห็นตัวใจว่าเป็นอย่างไรเพราะมัวแต่คอยดูคนนั้นดูคนนี้ดูสิ่งนั้นดูสิ่งนี้แล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วพอได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้คนนั้นคนนี้มาก็ดีใจเดี๋ยวๆอิ่มเดี๋ยวๆเดี๋ยวก็หิวขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็อยากจะได้คนใหม่ คนเก่าอยู่ไปสักพักก็เริ่มเบื่อแล้วใหม่ๆก็หน้าหน้าติดใจพอเก่าไปก็กลายเป็นสนิมไปใหม่ๆหน้าตาจุ๋มจิ๋มสมัยก่อนเขาว่าเก่าๆกับกลายเป็นสนิมขึ้นมาเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือปัญหาของโลกของสัตว์โลกทั้งหมด มีคนเดียวที่ฉลาดคนแรกคือพระพุทธเจ้าที่แก้ปัญหาโดยวิธีที่ถูกคือดึงใจให้กลับเข้าข้างในดึงใจให้กลับเข้าสู่ฐานของใจคือความสงบเพราะว่าเมื่อใจตั้งอยู่บนฐานของความสงบแล้วใจจะพบกับความอิ่มความพอขึ้นมาทันทีนี่นัตติสันติป ร, รังสุ ข, ขังเนี่ยใช ความสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีเพราะความสุขที่ของความสงบเหนือที่ตรงไหนเหนือที่ตรงความอิ่มความพอนี้เองพอมีความสงบใจแล้วใจจะอิ่มจะพอแต่ถ้าได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ไม่อิ่มไม่พอได้ตำแหน่งได้ยศขั้นไหนก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ยังมีความอยากจะได้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆ พอมีความอยากมันก็เป็นเหมือนขอทานขึ้นมาอันีต้องไปหาใหม่ไม่ไม่ขอก็ต้องไปหาหาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหากันอยู่เรื่อยไปหากันมากหากันได้มากน้อยเพียงลย่ะก็ต้องหาต่อไปเพราะนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอวิธีที่จะทำให้ใจอิ่มใจพอต้องดึงใจออกจากลาบยศสารเสริญสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแล้วดึงให้มันกลับเข้าไปอยู่ที่ฐานของใจคือความสงบและการที่จะดึงกลับเข้าไปได้ก็ต้องมอีพลังหรือสิ่งที่จะดึงดูดใจให้กลับเข้าข้างในตอนนี้ใจถูกกระแสของกิเลสผักให้ออกข้างนอกถ้าอยากจะให้ใจกลับเข้าข้างในต้องทวนกระแสเหมือนกับ ถ้านั่งเรือก็ต้องมีเรือเครื่องต้องเรือที่ติดเครื่องถ้าไม่เช่นนั้นเรือมันก็จะไหลไปตามกระแสน้ำถ้าอยากจะให้เรือวิ่งทวนกระแสน้ําเรือต้องมีเครื่องหรือต้องมีพายแล้วคนพายนี้ต้องขยันพายต้องพายให้เรือมันไหลทวนกระแสานั้นเรือมันถึงจะไปอีกทิศทางหนึ่งได้ใจของพวกเราทุกวันนี้ทุกคนเนี่ย ไปตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆความโลภความอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขนี่มันก็พาเราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะกระแสนี้เป็นกระแสของวัตตะสงสารกระแสของสังสารวัฏที่จะพาให้ดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณของพวกเราไหลไป ไปสู่พบสู่ชาติใหม่ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยถ้าเราอยากจะหยุดกระแสเหล่านี้คืออยากจะทวนกระแสเหล่านี้เราต้องสร้างพลังถ้าเป็นนักว่ายน้ำก็ต้องมีกำลังว่ายน้ำทวนกระแสน้ำได้ถ้าเป็นเรือก็ต้องมีพายหรือมีเครื่องที่จะมีกำลังมากกว่ากระแสน้ำเรือถึงจะทวนกระแสได้ ใจของวกเราจะทวนกระแสของกิเลสตัณหาได้ก็ต้องอาศัยพลังทำสองข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือสติข้อที่2ก็คือปัญญาข้อที่1คือสติถ้ามีสติกำลังมากกว่ากระแสของกิเลสใจของเราก็จะกลับเข้าสู่ฐานได้เข้าสู่ความสงบได้แต่เป็นความสงบแบบชั่วคราว พอสติพออ่อนกำลังลงเมื่อไหร่ปั๊บก็จะถูกกระแสของกิเลส ท, ที่ยังไม่ได้ถูกทำลายด้วยปัญญาพัดให้ออกมาหาราบยศสรรเสริญให้ออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสอีกแต่ในเบื้องต้นต้องอาศัยสติก่อนเพราะการใช้สตินี้มันง่ายกว่าการใช้ปัญญาการใช้ปัญญานี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนต้องวิเคราะห์ การใช้สติก็เหมือนกับการท่องกอไก่ขอไข่มันไม่มันง่ายกว่ากันท่องกอไก่ขอไข่ก็ได้ผลทำใจให้สงบได้แต่ถ้าจะทำให้ความสงบนี้ถาวรด้วยการตัดกระแสของกิเลสนี้ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุและผลเหตุที่ทำให้เกิดกระแสกิเลสขึ้นมาคืออะไร ละเหตุที่จะไปละ ง, งับกระแสของกิเลสให้มันหายไปคืออะไรมันต้องใช้การวิเคราะห์ใช้ความคิดมากซึ่งสำหรับคนทั่วไปสำหรับคนที่เริ่มต้นนี้จะไม่สามารถใช้ปัญญาได้เวลาไปเรียนหนังสือเขาถึงไม่ให้ไปหัดหัดเขียนหัดอ่านเลยก่อนจะให้หัดเขียนหัดอ่านเขาให้หัดไปท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนท่องกอไก่แล้วก็ให หัดสะกดให้ได้ก่อนสระอะจระอากอจระอะแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรกอจระอาอ่านว่าอะไรแล้วก็ถึงค่อยไปเรียนความหมายของคําแต่ละคําอ๋อกอกอไม่หัไม่มาลายกอไก่สระอาเรียกว่าไก่อแล้วก็เขียนภาพไก่ให้ดูถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือไก่นในการใช้ปัญญานี่มันยากนั้น ผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้ใช้ปัญญาไม่ได้ยกเว้นผู้ที่เคยปฏิบัติมาในชาติก่อนๆแล้วผู้ที่ได้เคยใช้ปัญญามาแล้วนี้อาจจะใช้ได้เราจึงมีวิธีดึงใจให้กับสู่ฐานสองวิธีใช้สติแลวใช้ปัญญาเนี่ยที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในหนังสือปัญญาอบรมสมาธิ นี่เป็นคนที่เหมาะกับคนที่ใช้ปัญญาเป็นใช้เหตุใช้ผลเป็นพิจารณาเหตุพิจารณาผลว่าจิตฟุง้งซ่านเพราะอะไรเพราะความอยากอยากก็ความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงเกิดจากความไม่เห็นความจริงว่าสิ่งที่อยากมันเป็นทุกข์เนี่ยพอเห็นว่าสิ่งที่อยากเป็นทุกข์มันก็หยุดอยาก พอรู้ว่าเครื่องดื่มที่เราอยากดื่มนี้ดื่มเข้าไปแล้วเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ไม่หยุดเราก็หยุดดื่มทันทีไม่อยากดื่มทันทีแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ดื่มไปเรื่อยๆเพราะเวลาดื่มมันมีความสุขดื่มกับเครื่องดื่มชนิดแล้วแหมมันมีความสุขแต่มไม่รู้ผลระยะยาวที่จะตามมาว่าจะทําให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นมาอันนี้เรื่องของปัญญาต้องใช้เหตุใช้ผลใช้การวิเคราะห์ ในเบื้องต้นนี้เราต้องทวนกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ในราบยศสรรเสริญด้วยการใช้สติคอยท่องพุทโธพุทโธพุทโธการท่องพุทโธนี้เป็นการสร้างสติดึงให้หยุดความคิดเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่ผลิตกระแสของกิเลสตัณหาขึ้นมา พอคิดปั๊บเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาพอคิดถึงลาบยศสรรเสริญก็อยากได้ลาบยศสรรเสริญขึ้นมาพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก็อยากจะได้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมาอย่างในเบื้องต้นเราต้องมาหยุดความคิดก่อนตัวที่ผลิตกระแสคือความโลภความอยากต่างๆต้องใช้พุทโธหรือใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งแล้วแต่ว่าละโอกาส เพราะบางเวลาต้องเปลี่ยนกรรมาฐานเช่นถ้าเกิดไปเจอกระแสของความโกรธขึ้นมาบางทีใช้พุทโธไม่อยู่เพราะมันเหมือนกับใช้ยาผิดโรคใช้ยารักษาใช้ยาผิดรักษาโรคไม่ได้ปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันไม่หายต้องเปลี่ยนยาพุทโธนี้สำหรับใช้ทั่วไป ใช้เวลาที่ไม่มีอารมณ์สบายสบายเอไม่โกรธไม่โลภแต่เวลาเกิดความโกรธขึ้นมานี้ต้องเปลี่ยนต้องแผ่เมตตาเอต้องใช้เมตตาต้องให้อภัยถ้าโกรธใครต้องให้อภัยเขาอย่าไปถือโทอดโกรธเคืองกันเพราะเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วจะจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เหมือนกับแก้วที่มันแตกไปแล้วจะไปทำยังไงมันก็ไม่ทำให้แก้วนั้นกลับมาเหมือนเดิมได้อยู่แล้วไปโกรธ ก, ก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายสองชั้นเสียของแล้วยังต้องมาเสียใจเวลาเราโกรธนี่ใครเจ็บเหร คนที่ถูกเราโกรธหรือเราเป็นผู้โกรธเป็นคนเจ็บเจ็บใจเร้อเกินเนี่ยใครเป็นคนเจ็บเราเน่ยเป็นคนเจ็บไอ้คนที่เขาทำให้เราโกรธเขาไม่ได้เจ็บไปกับเราแล้วเราอย่าไปเจ็บสองต่ออย่าไปเสียสองเด้งเสียของแล้วอย่ามาเสียใจด้วยความเจ็บใจด้วยความโกรธเนี่ยต้องใช้เหตุผลพิจารณาเวลาโกรธนี่ใครโง่ใครฉลาดกันน่คน เขาเรียกว่าคนโกรดนี่เป็นคนโง่คนโมโหนี่เป็นคนบ้าถ้าเราไม่ใช่เป็นคนโง่ไม่เป็นคนบ้าเราต้องไม่โกรธนวิธีที่ไม่โกรธก็คือต้องให้อภัยเท่านั้นเองพอให้อภัยแล้วจบเห็นไหมสบายเอ แต่บางทีเราต้องรอให้เขามาขออภัยก่อนพี่ขอโทษขอโทษเออให้อภัยอย่ถ้ายังไม่มาขอโทษกูก็ยังไม่ยอมให้อภัยอยู่นั่นอย่าไปรอให้เขามาขอโทษรีบให้อภัยเขาไปเพราะคนที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่เขาแล้วคนที่จะได้ประโยชน์คือเราเนี่ยเราจะได้ความสงบกลับมาเไมะนั้นเราก็จะโกรธไปทั้งวันใช่หไหมบางทีเขาพูดไม่ดีคําเดียวตั้งแต่เช้าเย็นนี้บ่ายนี้ก็ยังนั่งโกรธอยู่นั่ น, นบ้าหรือเปล่าโง่หรือเปล่า นี่ต้องเปลี่ยนกรรมฐานเวลาที่มีโลคชนิดใหม่เกิดขึ้นมาในใจบางทีมีโลคโกรธบางทีมีโลคโกรธโรคโลคเนี่ยเวลาโลค ก, ก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานอีกโลคทีนี้ก็ต้องคิดถึงความตายและมรณานุสตินมึงจะเอาไปทําไมเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วเอาไปได้หรือเปล่ามีใครเอาอะไรไปได้บ้างในโลกนี้น ่พอเห็นความตายปั๊บอยากจะได้อะไรไม่เอาดีกว่ามาเอาความสงบดีกว่ากลับมาหาความสงบดีกว่าเพราะช่วงโลคนี้มันใจมันจะกะวนกวายกระสับกระสใสเห็นไหมวันหวยออกนี่ไม่มีกระจิตกระใจทํางานเนี่ยมานั่งรอว่าวันนี้จะออกเลขอะไรพอคิดว่าถ้าเกิดมึงเย็นนี้พอถูกหวยปั๊บมึงตายจะเอาไหม พอตายพอคิดถึงความตายขึ้นมามันก็ชะลอความโลภไดนน้นี่คือกรรมฐานชนิดต่างๆที่เราต้องรู้จักใช้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีที่ตอนที่ไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องราวเหล่านี้ให้ใช้กรรมฐานที่เราชอบบางคนชอบพุทโธก็พุทโธไป บางคนชอบดูร่างกายเฝ้าดูร่างกายเคลื่อนไหวต่างๆก็ดูไปบางคนชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปเวลานั่งสมาธิบางคนก็ชอบยุบหนอพองหนอก็ดูยุบหนอพองหนอไปบางคนชอบดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ดูไปอันนี้เป็นเครื่องผูกใจมัดใจไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ พอใจไม่ลอยไปความคิดต่อไปความคิดมันก็จางหายไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ฐานคือความสงบได้กลับเข้ามาถึงตัวตัวฐานเนี่ยพอเข้าถึงตัวฐานแล้วทีนี้หละถึงจะใช้ปัญญาได้แล้วต่อไป เพราะว่าพอใจเริ่มทุกข์ขึ้นมาแป๊บนี้จะเห็นทันทีว่าความทุกข์ใจนี้เกิดที่ใจไม่ได้เกิดจากการได้ยินได้ฟังคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่เกิดจากใจที่ไปอยากกับเขามากกว่าอยากให้เขาพูดดีพอเขาพูดไม่ดีใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาก็มาแก้ที่ใจเราว่าต่อไปนี้อย่าไปอยาก ได้อะไรจากเขาสิจะได้ไม่ต้องทุกข์จะได้ไม่ต้องเสียใจอย่าไปอยากให้เขาไม่ด่าเราพราเขาด่าเราเราก็จะทุกข์อยากให้เขาชมเราพอเขาไม่ชมเราเราก็จะทุกข์นี่ตอนนี้มันจะถึงจะใช้ปัญญาได้เข้าใจไหมตอนต้นถ้ายังไม่ได้เข้ามาถึงฐานนี้มันใช้ปัญญาไม่เป็นใช้แก้ไม่ได้จะก็จะคิดว่าจะไปแก้เขาแก้เขาแล้วจะทำให้ใจสบาย มันไม่มไม่สบายแล้วแกเขาได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปแก้อีกเดี๋ยวก็ทำอีกอย่างหนึ่งไม่ถูกใจเราก็ต้องคอยแก้อยู่ที่เขาอยู่เลยเนี่ยถ้าแก้ที่ใจเราตัวเดียวพอไม่อยากได้อะไรจากใครแล้วหมดปัญหาใครจะชมใครจะด่าใครจะดีใครจะชั่วกับเรานี้ไม่มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นอันนี้ต้องขั้นที่สองคือขั้นปัญญาต้องเข้าถึงตัวจิตให้ได้ก่อน ถึงจะไปใช้ปัญญาในการระ ง, งับปัญหาของจิตคือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของจิตได้ตัวจิตต้องกลับเข้ามาถือที่ฐานของตนเองก่อนแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าทุกครั้งที่ใจกระเพื่อมขึ้นมาก็จะเพิ่มเพราะความอยากนันถ้าไม่าถาถ้าไม่ไม่มีความอยากมันจะไม่กระเพื่อมถึงแม้จะคิดเรื่องราวต่างๆคิดอะไรไปใจจะไม่กระเพิ่ม แต่พอไปคิดแล้วมีความอยากตามมาปั๊บนี้ใจมันจะกับเพิ่มขึ้นมาพอกระเพื่อมมันก็เลยรู้ว่าใจเราเริ่มไม่สบายแล้วเนี่ยใจเราเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราก็ต้องมาดูเมื่อกี้มันไม่กับเพื่อมเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันกับเพื่อมเพราะอะไรมันเห็นชัดก็เพราะเราไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ก็เริ่มเกิดอาการกับเพิ่มขึ้นมาทันที นี่แหละจะเห็นอริยสัจเห็นปัญญาได้ก็ต้องเนี่ยต้องมีสมาธิก่อนต้องดึงจิตให้เข้าไปที่ฐานให้ได้ก่อนแล้วพอจิตเริ่มกระเพื่อมปับ๊บก็จะเห็นสมุทัยปรากฏขึ้นมาทันทีมันต้องเป็นกามตันหาหรือภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาทันทีแล้วมันก็จะใช้ปัญญามาแก้ได้ทันทีปัญญาก็จะพิจารณาว่า ตายลักสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยากได้มันเป็นตายลักได้มาแล้วจะทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็วไม่หมดกันตอนเป็นก็หมดกันตอนตายพอหมดแล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา มันก็หยุดความอยากได้ตรงนั้นเลยมันไ ม, ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยไ ม, ไม่ต้องไปยุ่งกับคนนั้นคนนี้ไม่ไม hmm right. มต้องไปยุ่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอแก้ปัญหาที่ใจได้แล้วเทนี้อยู่กับใครก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเสียก็ได้ไม่เสียก็ได้เพราะใจไม่มีอะไรกับสิ่งต่างๆเพราะใจรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้หรือการเสียสิ่งต่างๆ ไม่ได้อยู่ที่การได้หรือการเสียบุคคลต่างๆไปแต่อยู่ที่ความอยากของใจเท่านั้นเองพออยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจพออยากให้มันเสียมันไม่เสียก็เสียใจทุกใจขึ้นมาทั้งหมดมันจะรวมมาที่ใจของเราเนี่ยถึงจะมีดวงตาเห็นธรรมได้ต้องมีสมาธิก่อนให้จิตเข้าไปถึงฐานก่อนแล้วพอจิต พอกิเลตันหาสมุทัยมันเริ่มทํางานก็จะเห็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาทันทีจะเห็นทุกข์กับสมุสมุทัยกับทุกข์นี้เป็นของคู่กันแล้วก็จะเห็นมรรคตามมาทันทีคือปัญญาปัญญาก็จะวิเคราะห์ทันทีว่าอยากถ้าอยากจะหยุดอยากก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากเท่า น, นั้นเองพอเห็นปั๊บมันก็หยุดความอยากได้ ไม่ันเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุตรงนี้แหละมีดวงตาเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็อย่างนี้แหละดูที่ใจถ้ามันไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็แสดงว่ามันมีสมูทยัยนะมันอยากแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วพออยากว่ามันก็เห็นทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจทันที ไม่ต้องไปถามใครคนที่บรรลุธรรมแล้วไม่ต้องไปถามว่าอาริยสัจสี่อยู่ที่ตรงไหนรู้ทุกคนตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งที่มีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นมากเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันต้องมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับแล้วก็จะปล่อยวางได้ไม่ไปอยากได้ละความอยากได้ใจก็กลับมาสงบเป็นปกติได้ ไม่วุ่นวายใจอย่างในพาหิยะนี่เวลากลับไปถูกก ะ, ะทคิงกทิงขีดก็สักตะวารุอย่างเงี้ยสักตะว่าเห็นเห็นกะทิงขีดก็เห็นว่ามันขีดเนี่ยเห็นว่าร่างกายเจ็บก็รู้ว่ามันเจ็บเห็นว่าร่างกายไม่หายใจก็เห็นว่ามันไม่หายใจ แต่ใจไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ที่เห็นเพราะได้เรียนจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินสัมผัสอะไรก็ให้สักแต่ว่าสัมผัสไปไม่มีตัวตนไปรับสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวตนร่างกายก็เป็นดินน้ำลมไฟนี่คือเรื่องของการที่เราจะต้อง เรียนรู้ก่อนที่เราจะนำเอาไปปฏิบัติได้ยกเว้นว่าเราเคยได้เรียนมาก่อนแล้วในชาติก่อนเนชาติก่อนอาจจะได้เป็นโสดาแล้วก็มีบางคนพอมาเกิดก็เข้าใจเรื่องอริยสัจสีได้สามารถปฏิบัติต่อได้เลยแต่พวกที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนี้ก็ต้องศึกษาธรรมต้องฟังเทศฟังธรรมกันก่อนให้รู้ว่าเราต้องกระทาอะไรอย่างไร เพื่อให้เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรายังหาเงินหาทองอยู่เราก็ต้องหยุดหาเงินหาทองเงินทองที่มีเหลือใช้ก็เอาไปแจกคนอื่นเสียเพื่อจะได้มีเวลาไปรักษาศีลถ้าเรายังไม่มีศีลพอรักษาศีลได้แล้วเราก็จะได้มีเวลาไปภาวนาไปดึงจิตเข้าข้างในได้ ถ้าเรายังดึงจิตเข้าข้างในไม่ได้เราก็ต้องฝึกสติก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนหรือกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งตัวที่จะคอยผลิตกระแสให้จิตไหลออกไปสู่ข้างนอกก็ต้องหยุดมาด้วยสติในเบื้องต้นเพื่อดึงกระแสเพื่อทวนกระแสเพื่อหยุดกระแสที่ส่งจิตให้ออกไปข้างนอกให้กลับเข้าข้างใน พอจิตกลับเข้าข้างในถึงฐานถึงความสงบแล้วก็จะเห็นทันทีเวลาจิตกระเพื่อมเวลาเกิดความอยากเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันเกิดที่จิต ด, ดับที่จิตนี่เองไม่ต้องไปแก้ที่อื่นมันเกิดตรงนี้ก็ดับตรงมันที่ตรงนี้ดับที่เหตุเหตุที่ทำให้มันเกิดก็คือความอยากกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่อยากหรือเห็นอสุภะในสิ่งที่เราเห็นว่าสวยงามหรือเห็นปฏิกูลในสิ่งที่เราเห็นว่าน่ากินมันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้หยุดได้มันก็จิตก็กลับมาสงบเหมือนเดิมอิ่มไม่โดยที่ไม่ต้องไปกินอาหารไม่ต้องไปดื่มอะไรอิ่มกว่าการได้ไปกินกาแฟไปกินขนมไปกินไปดื่มกาแฟ สู้อิ่มที่ใจดีกว่าอิ่มที่ใจแล้วมันอิ่มตลอดเวลาอิ่มที่ท้องเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วอิ่มที่ปากเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเนี่ยกินมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วอิ่มหรือยังไม่เคยมีคำว่าอิ่มนานนอิ่มเดียวเดียวอิ่มเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวก็หิวอีกแล้วเนี่ยพราะแก้ผิดที่ไม่ได้ไปแก้ที่ใจต้องไปทาใจให้อิ่มใจอิ่มแล้วทีนี้ใจก็จะพอไปตลอด นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมมีประโยชน์อย่างนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุร า, าริกปุเรนติสาคลัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนาระโสยตามณ่โชติระโสยตาสัพพิติโยวิวัชานตุ สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนศิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธมมมวาทานติอายุวันโสุขังภาลาง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคําถามใครมีคําถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะของดรับคําถามเพราะว่าไม่สะดวกต้องมีเรื่องอย่างอื่นต้องทําัใครอยากจะถามอะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ท้ง a ฟ e b o o k นะคะหกร้อยสี่สิบเก้าทง y o u t u สามร้อยเจ็ดสิบเก้าทางวิทยุออนไลน์ยี่สิบท่านแล้วฟังบนข่าวหกสิบเก้าท่านรวมทั้งสิ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดท่านคะ่ะขอากาสถามพระอาจารย์ค่ะว่า คือตอนนี้หนูรักษาศีลสิบใช่หมคะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้เป็นบารมีเช่นให้เป็นศิลบารมีศิลอุ ป, ป, ป, าววาปาบารามีหรือว่าศิลปรมัตถบารมีอยากจะอขอทาอาจารย์เมตตาอธิบายว่าเราจะต้องทำยังไงให้ได้เป็นบารามีแบบนั้นนะคะ ไม่ต้องได้บรารมีแบบนั้นหรอกเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องอใช้บรารมีแบบนั้นเพราะตอนนี้เราเรามีแผนที่ที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางของเร า, างนั้นเพียงแต่มีศีลแปดศีลสิบนี้ก็พอที่จะพาให้เราขึ้นสู่ก้าวขึ้นสู่ขั้นต่อไปได้คือขั้นภาวนาได้คือขั้นเนคขมบรารมีได้ รักษาสีท่าแล้วก็เพิ่มเป็นศีลแปดก็ได้เนคขมะบารมีพอมีเนคขมะบารมีก็สามารถไปสร้างอุเบกขาบารมีได้คือจะได้มีเวลาไปปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้พอเรามีอุเบกขาแล้วเราก็สามารถใช้ปัญญามากำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจได้เลย สมัยก่อนสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีทางก็เลยต้องสร้างกันแต่ละคนสร้างกันแบบเต็มสุดๆไปซึ่งบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้มากขนาดนั้นแต่เมื่อไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ก็เลยสร้างมันให้เต็มที่อย่างทานอย่างพระเวชสันดรก็ทําอย่างเต็มที่ทําแบบสุดๆไปหมด แต่มันก็ดีอย่างมันทำให้มีพลังที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราต้องการไปนิพพานด้วยการมีคำสอนเป็นผู้นำทางเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างบา ร, รมีแบบนั้นอาจารยนขอถามค่ะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเพิ่มศีลให้มากขึ้นมากขึ้นจากศีลห้าก็เป็นศีลแปดจากศีล8ปดก็เป็นศีลสิบ จากนั้นก็เป็นศีลของภิกษุณีสา1รอยสิบอดมีความจำเป็นหรือเปล่าคะไม่จำเป็นหรอกถ้าต้องการเพื่อไปปฏิบัติศีลแปดศีลสิบ น, น, นี่ก็พอแล้วเพราะศีลของภิกษุณีกบภิกษุศีลหลกัหลกๆก็มีแค่สี่ข้อเท่านั้นคือปาราชิกสี ค, คือไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่ลักทรัพย์ไม่ ไม่เสพไม่ทุนไม่ร่วมหลับนอนกันแล้วก็ไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนคือไม่โกหกหลอกลวงพูนมันก็เป็นศีลห้าพื้นฐานนั้นเองส่วนศีลข้ออื่นนี่มันเป็นระเบียบมากกว่าเป็นศีลคือไม่ให้พระหรือภิกษุณีไปกระทำตนที่ไม่เหมาะสมไม่สวยงามเท่านั้นเอง ถ้าเราเป็นคนที่มีเรียบร้อยอยู่แล้วเราก็มีศินสามร้อยกว่าข้อโดยอัตโนมัติพะเราไม่ไปทาผิดข้อใดข้อหนึ่งมีสินผัดข้อก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ากายกับวาจาเราสงบอย่างเช่นตอนนี้นั่งอยู่ตรง น, นี้มีศีลกี่พันข้อคุณก็รักษาได้หมดตอนนี้ใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้ไปพูดไปทาอะไรให้เกิดความเสียหายกับใคร ยันไม่ต้องไปกังวลกับศีลเหล่านั้นมันเป็นเรื่องระเบียบขององค์กรมากกว่าเวลาองค์กรอยู่ร่วมกันมีคนมาจากหลากหลายหลายแหล่มีความประพฤติที่มากถูกผิดมากน้อยต่างกันก็เลยต้องมีระเบียบมาบังคับให้ปฏิบัติให้มันอยู่ในในกรอบของความเรียบร้อยสวยงามเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรไม่ให้เสื่อมเสีย ค่ะผู้อาวย์คะในในกรณีนี้ถ้าเรามีทางเลือกว่าในเวลาที่เรารักษาศินศิลแปดกับสิล1ิบใช่ไหมคะทีนี้ศินสิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเวลาก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมในเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการได้รับความช่วยเหลือทีนี้ถ้าสมมติว่า เรามีสีนน้อยคือศินแปดแต่เราบริสุทธิ์ทั้งทั้งแปดข้อเลยแต่ว่าพอเรามาถือสินสิบปั๊บเนี่ยบางทีมันมีความเสี่ยงในการที่จะผิดบางข้อเนี้ค่ะ อ, อ๋อไม่เป็นไรแล้วข้อจับเงินถ้าเราจําเป็นยังต้องใช้เงินใช้ทองอยู่แล้วก็ถือแค่ศินแปดไปเท่านั้นเองศินแปดก็คือศินเก้าขาดข้อข้อเดียวคือไม่ให้จับต้องเงินทองค่ะ งั้นถ้าเรายังต้องใช้เดิ น, ดนทางไปไหนมาไหนซื้อข้าวซื้อของอยู่เราก็ถือแค่ศินแปะก็เหมือนกันเป็นตาขอยเราอยากไปโลภอยากได้เงินทองเท่านั้นเองปัญหาอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อถ้าเกิดว่าสำนักเราเนี่ยเขาต้องการให้เรารักษาสินสิบอะค่ะเราอยู่กับเขาเราก็ต้องรักษาตามที่เขา <Okay. S 2> ถ้าเราไม่รักษาเราก็ต้องไปอยู่ที่อื่ น, น <Okay. S 2> เพ้าะองค์กรเขามีกฎอย่างนี้เราก็ต้อง <Okay. S 2> ทำตามกฎของเขาไปาเท่ okay, านี้ก็อยู่กับเขาก็ถือศีลสิบพอเราออกไปแล้วก็ถือศีลแปดก็เห็นเสียหายตงไหน เพระแต่มันไม่จะขึ้นขึ้นลงลงหรอกคะพระอาจารย์มันเหมือนอย่าง ก, ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ไงค่ะ ก, ก็สินแปะ ก, ก็ไม่เสียหายคนซือสินแปะเขาก็ไม่เห็นจะเป็นบาปตรงไหนอ๋อเจ้าขาใช่ไหมค่ะนี่พอคนเคยเคยถือสินสิพอมาถือสินแปะ ก, ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองลดฐานะลงค่ะใช่จริงว่าไม่ให้ลดฐานะแร้วมันเป็นเรื่องของความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองหรือไม่ หรือมีคนมาดูแลเรื่องเงินทองให้เราหรือไม่ค่ะถ้าเรายังสามารถหาคนมาจับเก็บเงินให้เราแล้วไปไหยภัยกับเราได้จ่ายเงินให้เราได้เราก็ยังถือสินสิบได้อยู่ค่ะค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็จกอเมริกาที่รัฐแมสซาชูเซตส์ together ู่ย Yeah. See her, okay. Oh, you met her before? Oh. I did. Oh. I went over and to pay respect. Oh, okay. Ah, Chen. ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าสําหรับพรามที่มาบวชนะคะควรจะปิดวาจาหรือเปล่าคะ ไม่ดก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ว่าอยากคุยกันถ้าไม่จําเป็นถ้าจําเป็นต้องถามอะไรบ้างนี่ก็ถามได้แต่ไม่พูดเพ้อเจ้าพูดแบบไม่มีเหตุมีผลพูดเล่นแม่แล้วแบบพรุ่งนี้จะลาสิกขาไปแล้วนะคะจะถามว่าพอดีตอนเช้าค่ะเดินออกกําลังกายจัดว่าถ้ามันไม่เชิงว่าเร็วมากแล้วก็ไม่ช้าแบบเดินจงกรมอันนี้ถ้าสมมติว่าเรากำหนด ใจไปด้วยว่าตอนนี้เท้ากําลังย่างลงได้ไดก็ถือว่าเป็นงานเดินจงกรมไปก็เหมือนกันนะคะและอีกอันนึงก็คือว่ากําลังจะไปสลักผลไม้หัดสลักผลไม้ะะอ่ะค่ะ ม, มันต้องใช้สมาธิในการทําไม่ให้มีดมันขัดถือว่าเป็นเป็นการจเจริญสติในตัวเลยอ่ะแล้วยังมีอีกอันนะค ะ, ะจะถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิ น, นะคะแล้วก็ฟังเทศเนี่ยจะประมาณบางทีชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะคะ่ะ แล้วก็ปวดเขา่าปกติเราก็ปวดหลังคร น, นี้บางทีเนี่ย เ, เราก็พยายามไม่กินยา<ม>ใช่ไหมคะมแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เรากินยาช่วยหรือทายาช่วยก่อนล่วงหน้า<ม>แล้วก็นั่งไปเรื่อยๆ<ม>แล้วยังไงความเจ็บมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีก<ม>เราสมควรที่จะไม่กินตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่ า, าหรือไม่ทายาหรือว่าบางทีเราใช้อันนั้นได้ค่ะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการฝึกจิตให้อยู่กับความเจ็บปวดเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายก็ปล่อยไป เ, เลยถ้าเราอยู่ในช่วงที่ฝึกจิตนะ ห, หมายถึงในช่วงที่เราต้องการฝึกจิตให้ปล่อยวาง <c oughs> ความเจ็บปวดของร่างกายเราก็อย่าไปแก้อย่าไปกันความเจ็บปวดของร่ <c oughs> างกายปล่อยให้มันเจ็บให้มันปวดไป เพื่อฝึกจิตให้เรารับรับรับความเจ็บให้ได้อยู่กับความเจ็บให้ได้แต่พอเราฝึกได้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องบังคับมันเสมอไปถ้าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ทายาไปรักษาไปอนุโลมให้ใช้ได้ในการทำพลาดถ้าเรารู้ว่าถ้าถึงเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้จิตเราไม่วุไม่เดือดร้อนไปกับมันเราก็ช่วงไหนเราดูแลรักษามาได้ก็ดูแลไป ตอนนี้มีอีกอันนึ่งะคะ่ะ <ucking> เพราะว่างวดนี้เนี่ยคราวนี้ที่ม า, าบชิพรามนะคะมาประมาณห้าหกวันแล้วสามีเป็นคนาศาสนาหนึ่งเป็นคนแคสเลิกแล้วเวลาบอกว่าเราจะมานี่แล้วก็ปิดมือถือไม่ใช้เขาก็บอกว่าทําไมปิดมือถือเพราะว่าเขาติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้ก็เลยบอกว่าต้องการความสงบไม่ไม่อยากให้มีอะไรมารบกวน นะคะคราวนี้ในกรณีของเขาอะค่ะเขาจะมองเห็นแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเหมือนกับ เ, เป็นวัดวารามแล้วก็มาไหว้พระขอใช่ไหมฮะเวลามามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยากจะให้พระอาจารย์พูดนิดนึงเกี่ยวกับาาการสารของศาสนาพุทธนะคะเป็นภาษาอังกฤ ษ, ษ, กษเพื่อที่จะให้เขาทราบว่ามานี่เพราะว่าอะไร โอเคจให้พูดดี๋ยวนี้ลเลยอถ้าได้ค่ะขอบคุณเจ้าค่ะขออนุญาตพูดใกล้ๆหนอย่าังๆขออนุญาตพูดคุยกับพระอาจารย์นะคะเอมเลย อ, อยากจะพูดเรื่องของ อการปฏิบัติธรรมเนี้ยค่ะคือช่วงนี้ต้องช่วงถามอย่างเดียวอาถามถามค่ะถ้าจะเล่าก็ยังไม่ช่วงนี้ขออภัยค่ ะ, อะขออภัยค่ ะ, อ, ะ, อ, ะอย่างเป็นการถามในเรื่องของปัญญาค่ะอะปัญญาขั้นตอนในการฟังในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ปัญญาในขั้นตอนถึงผลของอ่าปฏิเวท่าค่ะคือผลอปฏิเวทค่ะอ่าระดับปัญญาสามระดับนี้ะค่ะ ก็ต้องเป็นการพัฒนาจากขั้นต่ําไปสู่ขั้นสูงขั้นต้นก็ต้องศึกษาคือต้องเรียนจากผู้อื่นก่อนเพราะเราไม่มีปัญญาเราโงา่เราเลยต้องไปหาคนฉลาดคนฉลาดก็จะสอนวิธีดับความทุกข์ใจของเราน่ขั้นต้นเราต้องอต้องเรียนจากคนที่เคยดับความทุกข์ใจแล้วคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากต่งตางๆของเรา ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจเราหายไปเราก็ต้องมาหยุดความอยากและเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้คือขั้นที่หนึ่งพอเราเรียนรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเราอยากจะดับความทุกข์เราต้องหยุดความอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเราก็ไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาไปทำการบ้านก่อนไปรักษาศีลห้าศีลแปด ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วพอเราทําการบ้านได้แล้วทีนี้เราก็ไปหาข้อสอบทำเช่นเวลาเราไม่สบายร่างกายเราเป็นโรคเช่นโรคมะเร็งหมอบอกว่ารักษาไม่ได้นะใจเราทุกข์ก็เปล่าถ้าใจทุกข์ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากให้ร่างกายไม่ตายอยู่ เราก็ต้องใช้ปัญญาที่เราเรียนว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยให้มันตายพอเราปล่อยได้เราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายของร่างกา ย, ยานี่ปัญญาขั้นที่สามปัญญาเวลาที่ต้องเข้าห้องสอบเวลาต้องเจอทุกข์จริงๆตอนที่เราทําการบ้านนี่เรายังเป็นสมมุติอยู่ คิดไว้อยู่ในใจว่าต่อไปเราต้องเจ็บต้องตายแต่เรายังไม่เจ็บจริงยังไม่ตายจริงแต่เราต้องเตรียมยาไว้ก่อนเตรียมอาวุธไว้ก่อนคือศีลสมาธิปัญญาแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาพอใจเราจะเริ่มทุกข์ปับ๊บเราก็เอาปัญญาที่เราเรียนมาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายเพราะเรายัางไงก็บังคับร่างกายไม่ได้บังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้พอเราปล่อยได้ปั๊บ เราก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเนี่ยสามขั้นมันเป็นอย่างนี้แต่จะมะีจะมีเรื่องราวของอการปฏิบัติธรรมที่เป็นเรื่องราวของหลงคิดนะะหลงคิดในการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมคือการนำกายตัวเองไปทำทั้งที่ความเป็นจริงคือการเห็นสิ่งที่มีจริงในใจเราเนี้ยค่ะ ก็มันก็ต้องใช้กายด้วยไงเพราะต้องใช้กายไปนั่งสมาธิใช้กายไปเดินจงกรมใช้กายไปฟังเทศฟังธรรมกายเป็นเครื่องมือที่จะให้เราได้เรียนรู้ธรรมแล้วเราก็จะได้เอาธรรมที่เราเรียนรู้มาทําที่ใจเราอีกทีอืม อก็จะเป็นเรื่องราวของการไปเอาประสบการณ์เอาความรู้ประสบการณ์มาใช้กับใจของเราที่นะไม่มีประสบะการณ์ที่ยังหลงยังมีความอยากอยู่ให้เลิกหลงให้เลิอกอยากก็เรียนรู้จากอามิจฉาเพื่อที่จะเป็นสัมมาไม่ใช่นะเรียนจากสัมมาเพื่อจะได้จะได้เปลี่ยนมิจฉาของเราให้เป็นสัมมานะตอนนี้เรามีมิจฉาอยู่เราไปเรียนสัมมาจากพระพุทธเจ้าเนะี่ยธรรมที่พระเจ้าแสดงเป็นสัมมาทิฐิ ค่ะแล้วอ่าโอกาสที่จะหลุดมาจากความหลงก็เนี่ยอาศัยส ม, มาทิฐิที่คอยเอาคําสอนพระเจ้ามาใช้แทนเอาความคิดของเราอย่าเชื่อความคิดของเราเพราะความคิดของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อคําคําคิดความคิดคําสอนของพระเจ้าเพราะเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะขอบพระคุณมากค่ะโอเคพอดีหมดเวลาพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา